ใปสามโมงครึ่งแล้วเป็นยังไงใครอยากจะเล่าใครอยากจะถามมีเวลาแลกเปลี่ยนกันคือเวลาเราปฏิบัติเราง่วงมากๆผมเคยฟังครูฟ้าอาจารบางท่านเบอกว่า ให้พยายามฝืนความง่วงเพื่อเอาก้าวข้ามมันไปบางท่านก็บอกว่าหยุดก่อนเราไปทำให้ตัวเองง่วงก่อนแล้วมาปฏิบัติต่อเลย่แน่ใจว่าแบบหน ม, มันจะดีกว่าหนึ่งในการปฏิบัติก็ <c oughs> มันได้ทั้ง ทั้งสองแบบนะแต่ก็คืออย่างถ้าแบบแรกเราก็พยายามที่จะฝืนที่จะข้ามความง่วงให้ได้แต่ก็ไม่ใช่แต่อย่าไปรังเกยียดความ ง, ง่วงนะคือคือถ้าเปรียบเหมือนความง่วงเหมือนเป็นภูเขาอะคือเราก็แค่การฝืนคือการมันเดินขึ้นเขาข้ามเข า, อ ย, าอย่าไปอย่าไปคิดว่าความง่วงมันคือตัวตัวปัญหาหรือตัวที่ เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแต่ให้รู้สึกว่าเหมือนเราเดินข้ามเขาแต่เราจะเดินแบบไหนอ่ะเช่นบางทีถ้าเราเช่นเราอยากจะข้ามเขาเร็วๆบางทีเราเร่งจนงทีเราเหนื่อยเราไม่ชอบทาไมมันมันง่วงแบบนี้ทาไมมันไม่หาย ท, ทัทีแต่ถ้าเราค่อยๆเดินเดินไปเรื่อยมันข้ามได้เมื่อไหร่ก็เมื่อ น, นั้นต้องต้องระวังกัน ระหว่างจิตที่มันจะไม่ชอบความง่วงหรือว่ามันอยากให้ความง่วงมันหายไปเร็วๆแต่ถ้าเราจะไปอย่างที่สองเราไปจะไปทําอย่างอื่นก็ได้นะแต่ให้ไปทําอย่างด้วยความรู้สึกตัวนะไม่ใช่ว่าไปทําอย่างอื่นด้วยด้วยการขาดสติมันก็อาจจะหายง่วงพอไปทําอย่างอื่นนะแต่พอกลับมาทําใหม่มันก็จะง่วงเหมือนเดิมแหละเพราะว่ามันคือมันง่วงเพราะว่า มันอาจจะเบื่อมันไม่สนุกไปทำอย่างอื่นที่มันหายเบื่อมันสนุกมันก็เลยหายง่วงแต่พอกลับมาอยู่กับการปฏิบัติในรูปแบบอีกมันก็มันก็นั้นแต่ถ้าไปทำอย่างอื่นเช่นนั่งไม่ไหวสู้ไม่ไหวเดินไม่ไหวแล้วไปเดินออกไปเดินเดินจักรกลไม่ไหวแต่ลองลองก่อนนะลองที่จะอยู่กับการเดินไม่ไหวไปเดินขึ้นบนันได ชั้นสี่ชั้นหนึ่งลงไปขึ้นไปลงไว้เรื่อยๆนะก็คือมันเหมือนเปลี่ยนอารมณ์แต่ก็ยังอยู่กับการปฏิบัติซึ่งมันก็อาจจะทำให้เออเราก็มีมีอบายในการที่จะมีสติได้มากขึ้นแต่ถ้าคิดว่าไหวก็ลองเหมือนใช้วิธีที่1อยู่กับมันแล้วก็ไปเรื่อยๆกับมันก็ได้พระอาจารย์ครับ อย่างมีพระอาจารย์บางท่านบอกว่าให้เราไปรักษาศินห้าแล้ในตอนเช้าก็ให้โยมเนี่ยอารัธนาศินห้าแต่โยมว่าโยมนักษาสินห้าได้ไม่ครบโดยเฉพาะข้อผุ้สารเนี่ยโยมทําไม่ได้แล้วโยมจะอารัธนาศินแค่สีข้อได้ไหมครับโยมรู้ว่าในระหว่างวันเนี่ยโยมผิดสินข้อนี้แน่นอนโยมก็เลยไม่แน่ใจว่าควรจะอารัธนาศินแบบไหนดีที่จริงอันนี้ยกเป็นแยกเป็นประเด็นเนาะ ประเด็นอารัธนาหรือเปล่าสนาอัตมาเองอ่ไม่ไม่ค่อยไม่ไม่สำคัญมากแต่แต่บางคนอารัธนาเพื่อให้จิตใจมันตั้งมั่นในการรักษาสิ่งห้าโอเคถ้าใช้เป็นอุบายแบบนั้นก็ได้แต่ที่จริงแต่มันอยู่ที่การกระทำของเรามากกว่าแต่แต่คือ แ, แต่เห็นความมั น, ม, นมันอาจจสนหนึ่งเราอาจจะเรื่องงานเราอาจจะ อาจจะต้องการความเรียกว่าอะไรความถูกต้องหรือว่าความคาดการ์ได้หรือว่าไม่เสียงานตรงนี้เนาะเราเลยเลือกที่จะโกหกแต่ก็ลองอันนี้มาก็ไม่ดูนะแต่ก็อาจจะลองดูว่าให้เรายึดสิ่งที่เราต้องการเช่นเราต้องการให้งานมันมันเสร็จทันเวลาอาไม่ไม่มีการผิดพลาดเหมือนถึงว่าไม่ทําให้ลูกค้า ต, ต้องเสียใจหรือว่าบริษัทเราไม่ได้ต้องผลไม่ได้มีผลกระทบจากการที่งานบันเดทเราให้เรายึดตัวนี้ไว้ก็จริงนะแต่ครั้นี้อาจจะลองลองใช้เทคนิคอื่นก็ได้เช่นเราบอกคำนักการของเราชัดๆกับคนที่เราต้องเกี่ยวข้องถึงที่พี่ขอจริงๆเช่นพี่ขอที่พี่ขอต้องการวันที่อ่ะวันที่เก้าหรือวันที่สิบเพื่อตึ๊บตึ๊ตึ ต, ต, ตึให้มันชัดเจนว่า สิ่งที่เราขอไม่ใช่ว่าขอเพราะว่าตัวเองนะแต่คือเพราะมันเป็นสิ่งส่วนรวมที่จาเป็นต้องต้องมีแบบนี้คือเราบอกอะไรไปแต่ถ้าเราเติมความต้องการที่มาเป็นสิ่งที่เป็น้ความต้องการร่วมของของเราของเขาของที่ทำงานด้วยมันจะทำให้เราหมายว่ามันน่าจะทำให้คนที่เกี่ยวข้องกับเราเขา เขาได้รู้สึกถึงความสำคัญตรงนั้นมากขึ้นซึ่งมันก็อจาจจะทำให้เอาโค่หงหน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆนะอืมก็ลองลองดูอาจจะลองดูใบามาว่าบางทีไม่แต่มาว่าส่วนหนึ่งโยมไม่อยากยุ่งยากเช่นเวลาเพื่อนต้องมาเซาซีมานะั้นโยมไม่อยากยุ่งยากยมอยากจะจบ แต่แต่สังเกตมันใช่จริงจิตเราจริงมันอยากจบเร็วๆอยากเคลียร์คัดอยากแบบให้มันอะไรที่มันไม่ต้องมายุ่งใจอย่างคือจิตเราชอบแบบนั้นเราไม่ชอบยุ่งยากจิตมันไม่ชอบยุ่งยากจิตยมยังเป็นคนพุ่งๆงั้างใน <c oughs> ใช่ด อ, องก็อาจจะดองดูดองลอ ง, ลองค่อยๆ ใช้เทคนิคอุบายอย่างอื่นที่ที่มาช่วยให้มันโกหกน้อยลงนะลองลองดูแล้วถ้าโกหกบ่อยๆนี่ผลลัพธ์จะเป็นยังไงครับสมมุติเราผิดสินข้อนี้ผลลัพธ์มันหมายถึงในอนาคตในเบื้องหน้าอย่างนี้ครับรอาจารย์ไม่หรอกแต่มาถ้าถ้าโดยถ้าพูดถึงแบบเมื่อสักครู่เนี่ยมาว่า สิ่งที่เป็นผลลัพธ์ที่ที่ต้องควรระวังมากกว่าคือเราไม่ไม่เท่าทันจิตใจเราที่มันมันอยากจะให้มันจบเร็วๆให้มันเคลียร์เร็วๆโดยที่บางทีเราก็ไม่ไม่คำนึงถึงวิธีการว่ามาจะผิดสินก็จริงแต่มันได้ผลลัพธ์ที่ต้องการซึ่งตรงนั้นแหละมันถ้าเราเห็นว่าอ๋อใจเราอะมันมันอยากให้มัน จบปัญหาก็เลยต้องตอบแบบนี้ไปเลยซึ่งถ้าเราไม่ลองใช้วิธีอื่นดูแล้วมันอาจจะกวนใจเราแะ่ะอาจจะมีคนมาตือ้อมันอาจจะมีอะไรมากซึ่งเราอาจจะไม่สบายใจที่มันเป็นแบบนั้นแต่มันแต่เราลองฝึกที่จะอยู่กับมันมากขึ้นมาว่าต่อไปยมก็จะสามารถที่จะอยู่กับความนาะอาจจะมีคนตือ้อนั่นนี่แล้วเราพอเราอยู่กับมันได้จริงๆิมันไม่ต้เป็นปัญหาอะไรมากมายนะต่อไปนะหมายถึงว่า ค่อยๆฝึกไปซึ่งตอนนี้จะเป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้ว่าอ้อบางทีมันโกงหกเพราะมันอาจจะอยากโกงหกเพราะมันมันอยากจะง่ายแต่จริงชีวิตเราดองอยู่กับความไม่ง่ายบ้างมันก็มันก็สามารถที่จะอยู่ได้นะบางทีจริงๆมันก็อาจจะอยู่ได้หรือที่จริงถ้ายมเด็ดขาดาจริงๆนะก็เด็ดขาดแบบของเราไปเลยซึ่ง ก็เราก็มีเหตุผลของเราเช่นังหมดเราอยากจะปฏิบัติธรรมเราอยากเราไม่อยากกลับดึกก็บอกตรงๆไปก็แค่นั้นอันนั้นคือถ้าเราชัดเจนของเราคนอื่นเขาอาจจะเราซีก็เป็นเรื่องของเขาละซึ่งไม่การที่เราไม่ไปกับนั้นก็ไม่ใช่แปลว่าถ้าเราทำตัวเองไม่ใช่แปลว่าเราไม่รักเพื่อนเราไม่ใช่เกลียดเขาแต่เพียงว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ดีกับ มันไม่ใช่ความสนใจของเราหรือไม่ใช่ไม่ดี ก, ดกับสุขภาพเพราเราก็แค่นั้นเราก็สามารถที่จะบอกได้แต่แต่ส่วนหนึ่งก็ต้องเข้าใจคนทางโลกซึ่งเขาก็คิดว่าดีแบบเขาคืออีกแบบหนึง่งไปเจอกันได้กินกันได้คุยกันสนุกสนานมาเป็นความดีของของเขาเนาะอืมนะก็เลยอยากให้โยมลองลองฝึกที่ลองอยู่กับมัน มากขึ้นฝึกอยู่กับมันมากขึ้นอาจจะมีการเรายังรักษาสิ่งที่เราต้องการอยู่แต่เพียงว่ามันอาจจะมีการคนมาเซาซี้มาลุกเร า, าอะไรก็แต่เราก็ลองฝึกที่จะอืมเข้าใจว่าเขาก็อาจจะหวังดีอาจจะนั่นนี่แต่เราเองก็เข้าใจตัวเองว่าเราต้องการอะไรแล้วก็อยู่กับมันแม้มันอาจจะไม่ ง, ง่ายเหมือนกัน กหกแต่มันแต่บางทีมันแต่อย่างน้อยมันนะมันก็จะไม่เกิดความสงสัยหรือว่าเกิดความไม่สบายใจที่หลักที่เราต้องมาโกหกซ้ำๆมันก็อย่างน้อยมันก็จะไม่เกิดความรู้สึกผิดตรงนี้บ่อยๆแล้วที่จริงอีกส่วนหนึ่งพอเราโกหกบ่อยๆมันก็ง่ายที่จะที่จะทำ ใช่ก็ลองพยายามที่จะรักษาสินให้มันให้มันดีขึ้นเมืองที่จริงตั้งมั่นจริงๆนะเราพยายามตั้งปั้นที่จะไม่โกหกให้มันได้นานที่สุดพอสุดท้ายมันอาจจะเผลอออามันอาจจะเผลอสุดท้ายมันโอ้ยําคาไม่ไหวสุดท้ายเนาะแต่มันถึงมันคือสุดท้ายจริงๆที่มันไม่ไหวอ่ะมันก็อาจจะทําแต่อย่ารีบไปทําตอนแรกไงแล้วมันเราจะเราจะรักษาสินได้มากขึ้นเหมือนคล้ายๆเหมือนคนมายั่วยุให้เราโกรธอ่ะ บางทีถ้าเราง่ายที่จะโกรธมันก็จะง่ายเร็วทันทีแหละนะแต่ถ้าเราพยายามที่จะรู้ทันตัวเองไปบ่อยพยายามรักษาไปบ่อยมันก็จะมันต้องยากสักหน่อยกว่าเขาจะทำให้เราโกรธได้ก็ค่อยๆค่อยๆปรับไปโยมยิ่งถ้าปรับอัปเลเวลขึ้นไปอีกนะบางทีก็ไปได้เขาสนุกก็เรื่องของเขา ก็กินก็เรื่องเขาเคุยกนเรื่องเขาเราก็คุยเท่าที่เราคุยได้กินถ้าเรากินได้แล้วก็ดูอารมณ์ของเราเอง <c oughs> คือคือมันมันจะไม่แยกโลกกับธรรมมากคือคือเขาจะบางคนอาจจะกินเหล้าบางคนอาจจะเมากันบางคนยังไงแต่มันจะเห็นว่าเราก็ไปดูใจเราด้วยเราอยากจะบางทีแต่ก่อนเราก็อาจจะชอบเมาแบบนี้เราเห็นอ่าเห็นใจของเรา เราหรือบางที่เราไปตำหนิตำหนิไอคนนี้กินเหล้าไม่ดีสมมุตินะเออมันก็จะเห็นจิตของเรามันเป็นแบบนี้แต่พอถ้าเราอยู่อยู่ได้ดีขึ้นน่ะมันก็จะมันก็ก็จะรู้สึกว่ามันจะเป็นกลางกับกับคนอื่นได้มากขึ้นแม้เขาจะไม่มีศีนหรือแม้เขาจะสนุกอะไรก็แต่พอเราอยู่กับเขาได้จริงๆนะเพราะจริงเราไม่สามารถจะไปเปลี่ยนเขาได้ แต่เราสามารถอยู่กับเขาได้เนะี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ถ้าเราสามารถที่จะบางเหตุการณ์เนาะอาจจะไม่แปลว่าต้องไปทุกงานเหมือนแต่ก่อนแต่บางทีบางอย่างจะลองไปเพื่อไปปฏิบัตินอกรูปแบบก็ได้แต่ถ้ารู้สึกว่ามันดุดมากเกินไปอา้อาวไม่ไหววันนี้อยู่สามทุ่มดุดมากเลยกลับดีกว่าก็ขอกลับเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ไหวนาะสามทุ่มกลับดีกว่าเนะี่ย มันก็สามารถทำได้เราสามารถที่จะลองไปดูไม่ไหวกลับมาฝึกแบบนี้ก็ก็สามารถฝึกได้ซึ่งโลกกับธรรมที่จริงมันก็มันไม่ได้แยกกันชัดเจนแล้วก็ถ้าเราอาศัยว่าเป็นการไปเรียนรู้ไปฝึกฝนตัวเราเองมันก็สามารถทำได้เหมือนกันความหมายข้ามาคือเหมือนใจเราเป็นกลางกับ สสิ่งพวกนั้นให้มันได้มากขึ้นมาถึงว่าโอเค ม, มันเหมือนเราเหมือนเราเข้าใจตัวเองเหมือนเราเข้าใจเขาด้วยเช่นเราก็เคยกินเหล้าเราก็เคยเที่ยวเราก็เคยเป็นแบบนั้นซึ่งตอนนี้เขาเป็นอยู่เราเห็นใจเขาไม่ได้ตาหนิเขาเข้าใจไหมคืออ๋อเข้าใจเขาเขายังเป็นแบบนี้อยู่ไม่ใช่แปลว่าเขาไม่ดีเราก็เคยเป็นแต่ไม่ใช่แบบว่าเขาจะไม่ดีทั้งหมด มันก็คือสิ่งที่เขาเป็นในตอนนี้เราก็สามารถที่จะอยู่กับเขาโดยที่ไม่ไม่แต่คือบางคนแต่เด็โยมก็คงไม่ค่อยเป็นมากแต่บางคนแบบเข่งมากจนบางทีเราใช้ความดีความถูกของเราไปตัดสินคนอื่นนะแต่ของโยมก็ไม่ได้เป็นวนาหลักได้มากเข้าใจอยแต่บางคนแบบฉันมีสติเธอไม่มีสติฉันมีศีลเธอไม่มีศีลอะไรนะอ่ามันจะกลายเป็นตัดสินคนอื่นซึ่งมันก็ไม่ควรทําำ แต่บางทีก็ง่ายมากที่จะเผลอไปทำสำหรับบางคนคือศิล5ห้ามันช่วยถ้าเป็นคารวาสมาว่าหนึ่งก็ช่วยลดความยุ่งยากตามมาได้เยอะคือสมมติโกหกเรื่องนี้บางทีมันก็ระแวงแบบถ้ามีคนมาเช็คเราเราไปทุราจริงหรือเปล่าเนี่ยมันก็ไม่สบายใ จ, จย ใ, ใชไไ่ไม่ไม่โพส อะไรที่มันตอนนี้ <kho ara> สมมตนะิใช่มันมันจะมี ค, คือสินนี่จริงทำให้เราสบายใจเราไม่โกหกเราไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นเราไม่ไปรักทรัพย์คนอื่นมันเราก็สบายใจจะมีใครมาว่าเรารักทรัพย์เหรอเราก็รู้ตัวครับเราเราไม่ไรักเราไม่ได้โกหกไงมีใครมาว่าเราโกหกเราก็สามารถที่จะพูดได้ไนนะคือมันจะเกิดความสบายใจสินทำให้เราเกิดความสบายใจเมื่อเรามีความสบายใจ จิตมันก็สงบมันถึงว่าสงบคือมันไม่ได้บาดตะแหวงไม่ได้กลัวไม่ได้กังวลมันก็มันก็จิตก็เลยตั้งมั่นได้ได้ง่ายก็เลยมีสมาธิมีสติได้ง่ายเป็ไงบ้างนี่มันพี่จันตุมครับ ก็อย่างที่อาจารย์นโนต์บอกนะมาเหมือนเหมือนกับบางทีเราเองเราเหมือนกับเวลาที่เราเกี่ยวข้องกับคนอื่นคนรอบข้างก็เราก็มีท่าทีอันเดียวกันเกี่ยวข้องกับความรู้สึกนึกคิดจิตใจของเราเหมือนกันอย่างเงี้ยเนาะบางทีเวลาที่เราเหมือนกับเห็นความคิดของเราไม่ดีนะเราก็ไม่ชอบอย่างเงี้ยเนาะใช่ไหมอย่างนั้น บางเห็นความคิดของเราดีเราก็ชอบอย่า ง, ง, น, างนี้เนาะคือพวกนี้ก็เหมือนกันการปฏิบัติก็การรู้สึกตัวก็ทําให้เราก็ค่อยๆปรับเนาะค่อยๆปรับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนั้นการที่รู้สึกกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างอย่างที่ไม่ไม่ปฏิเสธอย่างที่พระจันทร์โนตบอกเมื่อเช้าว่าโอ้จะมาเรื่องเรื่องการปวดหัวเราก็ไม่ได้ผลักใส่เขาเนาะใช่ไหมพอเราไม่ผลักใสเข้า ปรากฏการ ท, ที่เกิดขึ้นก็กลับเป็นเรื่องที่ดีบางเวลาที่เราอยากให้หายบางทีมันก็มันก็เป็นปัญหาอย่างเงี้ยอย่างนั้นคือนี้นี่คือเป็นเรื่องของท่าทีที่เราเกี่ยวข้องกับตัวเองด้วยแล้วก็ทํในคนเดียวกันก็น่าจะเป็นท่าทีที่เราใช้เกี่ยวข้องกับผู้อื่นไปด้วยอย่างยังอย่างที่พระจะโนตบอกถึงเรื่องของก็เรียกว่า เรื่องของบางทีเรื่องของความดีอย่างเงี้ยเนาะอย่างนั้นบางทีก็ทําร้ายคนอื่นเนียอันนี้หลวงพ่อเองก็มีประสบการณ์ตรงนี้เหมือนกันเวลาที่เวลาที่เราโผล่หน้าไปเพื่อนก็จะบอกว่าเราเป็นไม้บันทัดอย่างเงี้ยคล้ายคเหมือนกีบว่าคือคือเราเองเรากับสิ่งที่สิ่งที่เหมือนกับว่า เป็นเรากับการไปทำลายเพื่อนเขาอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะอย่างนั้นคือนั้นนั่นคือตรงนี้ก็การที่เราฝึกฝึกที่จะเหมือนกับอยู่กับเรื่องราวต่างๆอย่างยางไม่ตัดสินเนาะอย่างไม่ตัดสินแล้วก็เหมือนกับอะไรจะเกิดขึ้นเนาะให้เราได้มีสติที่จะอยู่กับตรงนั้นความรู้สึกตัวก็จะเหมือนกับ การที่เราได้กลับมาดูตัวเองอืการนั่งของเราเป็นยังไงจิตใจของเราเป็นยังไงเนี่ยการที่จิตใจของเราได้กลับมากลับมาได้สํารวจความเป็นไปของกายขนใจเราสภาวะนั้นก็เป็นสภาวะของความรู้สึกตัวแล้วก็ผลของความรู้สึกตัวเหมือนก็เราก็จะพบได้ว่าไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็ตามเนี่ยมันก็เราก็ไม่มีทุกข์ได้นะอย่างเนี้ยนั่นนก็คือตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ ให้เราได้เหมือนกับว่าอาศัยความรู้สึกตัวของเราเรื่องราวต่างๆแล้วอาจจะปฏิเสธไม่ได้แต่ว่าเรื่องราวต่างๆที่เคยเป็นปัญหาของเราบางทีมันก็จะกลายเป็นเหมือนกับบทที่ทำให้เราได้เหมือนกับได้เรียนรู้ได้ผ่านเนาะอย่างนั้นนั่นคือตรงนี้ก็มองว่าความรู้สึกตัวที่เราหัดกันในวันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นความรู้สึกตัวที่เหมือนกับค่อยๆเนาะ เขาเรียกว่าค่อยๆก้าวเข้าไปก้าวเข้าไปสู่สิ่งที่เรียกว่ารู้ซื่อสู่เรียอ ส, สู่สิ่งที่เรียกว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรคิดว่าตรงนั้นก็เป็นบันไดที่เราอาศัยสิ่งเดียวกันนี่ละใช่ไหมฮะแต่ว่านั่นคือมันก็จะค่อยๆเหมือนกับว่าได้เรียนรู้ไปได้ปรับไปได้เรียนรู้ไปได้ปรับไป